บทที่17หอประชุมเจริญชัยกลับจากบ้านงานท่านพระครูขึ้นไปเขียนหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์กรรมฐานอยู่ชั้นบนของกุฏิครูใหญ่ใหญ่นายสมชายก็ขึ้นไปรายงานว่าอคันตุ ก, กะสี่คนมารอพบอยู่ที่กุฏิชั้นล่าง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 เมื่อท่านพระครูลงมาและนั่งบนอาสนะประจําของท่านแล้วภิกษุสองรูปกับคารวะสี่คนต่างทําความเคารพได้การกราบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งเจริญพรโย ม, มาจากไหนกันบ้างล่ะเนี่ยท่านถามคนที่นั่งหน้าสุดผมมาจากเชียงใหม่ครับโยมละ่ะคนที่นั่งถัดไปตอบว่าผมมาจากภูเก็ตครับ ทามอีกสองคนก็ได้ความว่ามาจากการชนะ บ, บุรีคนหนึ่งจากระยองคนหนึ่งแมมสี่คนมาจากสี่ทิศเลยแล้วยังไงมายังไงถึงได้นัดมาเจอกันที่วัดนี้ไม่ได้นัดครับพวกเราเจอกันโดยบังเอิญตรงทางเลี้ยวเข้าวัดเป็นเรื่องแปลกครับหลวงพ่อถึงจะมาจากคนละทิศ แต่ก็บังเอิญมาเจอกันตรงทางเข้าวัดพอดีคนขับรถผมเลี้ยวจากสายเอเชียมาก็เจอเบ้นอีกสามคันเลี้ยวตามมาเป็นเบ้นรุ่นเดียวกันซสด้วยและแต่ละคนก็มีคนขับมาให้นี่ถ้าเกิดสีเดียวกันทั้งสี่คันผมคงต้องเอาไปลงหนังสือพิมพ์แน่เลยคนที่มาจากเชียงใหม่รายงานอัตมาว่ามีเรื่องแปลกกว่านั้นอีกเชื่อไหม โยมสี่คนเนี่ยเกิดวันเดือนปีตรงกันไม่เชื่อลองถามกันดูก็ได้จริงเหรอครับหลวงพ่องั้นผมต้องพิสูจน์ละคนมาจากเชียงใหม่พูดแล้วจึงหันหน้ามาถามคนที่มาจากภูเก็ตว่าคุณเกิดเมื่อไหร่ส่วนผมยี่สิบเจ็ดมีนาเจ็ดหนึ่งทำไมวันเดียวกับผมเลยอีกสามคนร้องขึ้นพร้อมกัน ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาพบผู้เป็นสหชาติถึงสี่คนในคราวเดียวกันคนทั้งสี่ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นพระมหาบุญกับพระบูเียวก็ไม่รู้แต่ท่านพระครูรู้ว่ามันเป็นไปตามกฎแห่งกรรมุรุษที่มาจากทิศ ท, ทั้งสี่เหนือใต้ตะวันตกตะวันออกสี่คนนี้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 พระมหาบุญกับพระโบเฮียวก็ลุกออกไปเพื่อชันพัตหารเพนท่านพระครูขึ้นไปเขียนหนังสือต่ อ, อยังชั้นบนของกุติรอให้พระสองรูปกับคฤหัสถ์สีคนกลับมาอีกครั้งท่านจึงจะลงที่โรงครัวมีอาหารที่ถูกจัดเตรียมไว้เพียงโต๊ะเดียวเนื่องจากเป็นช่วงออกพรรษา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 ก็พระสมัยนี้น่าศรัทธาซิเมื่อไรประโยคหลังเขาพูดเสียงเบาเพราะเกรงแม่ครัวกับลูกศิษย์วัดจะได้ยินส่วนผมเป็นคนชอบทำบุญมาก่อนแต่พอมีเรื่องกับท่านเจ้าคุณก็เลยเลิกทำคนมาจากกาญจนบุรีพูดเจ้าคุณอะไรครับคนมาจากระยองถามก็เจ้าคุณเขาเอ่ยนามเจ้าคุณรูปหนึ่ง ที่กาลังเป็นที่เคารพศรัทธาของคนกรุงเทพมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักการเมืองหลายคนล้วนแต่เป็นคนที่เด่นดังแทบทั้งสิ้นเรื่องร้ายแรงมากหระอครับคุณถึงกับเลิกนับถือพระไม่ร้ายแรงเท่าไหร่แต่มันก็เล่นเอาผมหมดศรัทธาไปเลยจะเล่าให้ฟังก็คงได้คือพี่ชายผมเ็เป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่าน เวลาทำบุญก็นิมนต์ท่านมาที่บ้านเป็นประจำวันหนึ่งเขาทำบุญวันเกิดนิมนต์ท่านไว้ล่วงหน้าแล้วพอถึงวันงานก็ให้ผมไปรับคือผมจะทำหน้าที่รับส่งท่านทุกครั้งที่นิมนต์มาบังเอิญวันนั้นภรรยาผมอรรถเบนไปร้านเสริมสวยผมก็เลยขับโตโยต้าของลูกสาวไปรับคุณเชื่อไหม ท่านถือตลัปัดกับย่ามเดินตามผมมาถึงรถพอเห็นรถตโตโยตา้าท่านถามว่าทำไมไม่เอาเบนซ์มารับผมก็บอกเหตุผลท่านไปท่านก็ยืนลังเลไม่ยอมขึ้นรถเสร็จแล้วก็บอกผมว่ารอเดี๋ยวนะแล้วก็หายเข้ากุฏิไปประเดี๋ยวหนึ่งก็ส่งพระอีกรูปหนึ่งมาแทนพี่ชายผมโกรธมากพระรูปนั้นเล่าให้ฟังว่า เจ้าคุณท่านเจ้ายศเจ้ายางใครไม่เอารถเบ้นมารับท่านก็ไม่ไปพระในวัดรู้กันดีว่าท่านติดในลาบสักการะมากหากไม่มีผู้ใดกล้าเตือนเพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสพวกผมก็เลยเลิกนับถือพระเลิกทำบุญกันมาตั้งแต่บัดนั้นเรื่องที่คุณเล่ามาผมจะไม่เชื่อเลยถ้าไม่ได้ประสบกับตัวผมเองบังเอิญผมรู้จักท่าน แล้วก็โดนแบบเดียวกับที่คุณโดนผมเลยเข็ดแต่ทาไมถึงมาวัดนี้ได้ก็ไม่รู้บุรุษที่มาจากระยงพูดแต่วัดนี้คงไม่ทําให้พวกเราต้องผิดหวังนะผมรู้สึกศรัทธาหลวงพ่อท่านจริงๆสงสัยว่าท่านจะเป็นพระวิเศษถึงได้รู้อะไรๆเกี่ยวกับพวกเราผมอยากมาทําบุญกับท่านคงเป็นบุญของผมนะไม่งั้นคงไม่ดันด้นมาถึงที่นี่ พระวัดที่ภูเก็ตก็มีตั้งหลายวัดการสนทนาชะงักลงชั่วครู่เพราะรสชาติของอาหารไม่เปิดโอกาสให้คุยกันอิ่มน้ำสาราญกันแล้วในสมชายจึงพาบุคคลทั้งสี่กลับมาที่กุฏิท่านพระครูพระอีกสองรูปนั่งอยู่ที่นั่นด้วยคนทั้งสีนั่งเรียบร้อยแล้วท่านพระครูจึงกล่าวขึ้นว่าพระวัดนี้ไม่เหมือนที่อื่นหรอกโยม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 ไปบอกคนขับรถให้กินข้าวก่อนท่านหันไปสั่งในสมชายหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับคนที่มาจากกระยองถามโยมอย่าได้พากันสงสัยไปเลยหลวงพ่อท่านสามารถรู้ทุกอย่างที่ท่านอยากจะรู้พระมหาบุญบอกกล่าวพระบูเหียวจึงเสริมอีกว่าหลวงพ่อท่านได้เห็นหนอหนะโยมบุคคลทั้งสี่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 สำหรับผมผมฝันว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งบอกให้มาช่วยสร้างหอประชุมที่วัดป่ามะม่วงจะมีอานิสงส์มากแล้วก็จะมีเพื่อนเก่ามาช่วยสร้างอีกสามคนคนมาจากระยองพูดยังไม่ทันจบคนมาจากกาญจนบุรีก็พูดขึ้นว่าผู้หญิงอายุประมาณ20สบผิวคล้ำหน้าคมผมยาวสวมผ้าสิ้นสีน้ำเงินเสื้อแขนกระบอกสีขาวใช่ไม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 วัดนี้มีผู้หญิงชื่อกาหลงด้วยหรือครับคนที่มาจากภูเก็ตถามท่านพระครูเห็นว่าหากให้คนทั้งสี่รู้เรื่องแม่กาหลงเขาก็จะไม่ยอมมาวัดกันอีกจึงพูดแบ่งรับแบ่งสู้ว่ามีแต่เขาไม่ค่อยชอบพบปากกับใครอย่าไปรบกวนเขาเลยว่าแต่ว่าคุยกันมาตั้งนานอัตมายังไม่รู้เลยว่าโยมมีชื่ออะไรกันบ้าง แนะนำตัวกันสักหน่อยไม่ดีหรือท่านเจ้าของกุฏิพยายามเบนออกจากเรื่องแม่กาหลงพระบวัวเหี่ยวเองก็ยังไม่รู้ว่าแม่กาหลงเป็นใครผมชื่อบุญชัยครับใครๆเขาเรียกผมว่าพ่อเลี้ยงชัยคนมาจากเชียงใหม่แนะนาตัวเองผมศักชัยคนเมืองการเขาเรียกผมว่าเสียชัยคนระยองเขาเรียกผมว่าเท่าแก่ชัยชื่อเต็มวิชัยครับ ส่วนผมเขาเรียกว่าเฮียชัยกันทั้งจังหวัดคนที่มาจากภูเก็ตแนะนำตัวเป็นคนสุดท้ายและชื่อเต็มว่าอะไรพระมหาบุญถามชื่อชัยเฉยๆครับเขาตอบถ้าอย่างนั้นอาตมารู้แล้วว่าจะตั้งชื่อหอประชุมว่าอะไรดีรับรองว่าโยมต้องเห็นด้วยท่านพระครูพูดขึ้นชื่ออะไรครับเสียชัยถาม หอประชุมจตุรชัยแปลว่าชัยทั้งสี่หรือสี่ชัยเป็นยังไงโก้ดีไหมคนตั้งชื่อถามความเห็นไม่มีผู้ใดให้คำตอบแล้วพ่อเลี้ยงชัยจึงถามท่านพระครูบ้างว่าพวกผมยังไม่ทราบเลยครับว่าหลวงพ่อชื่ออะไรแม่กาหลงเขาก็ไม่ได้บอกห ร, อกหรือไม่ได้บอกครับบอกแต่ชื่อวัดและที่ตั้ง เสียชัยเป็นคนตอบหลวงพ่อชื่อเจริญท่านพระโพรเจริญจเจ้าอาวาสวัดป่ามาม่วงพระมหาบุญเป็นผู้บอกถ้าอย่างนั้นผมขอเสนอว่าหอประชุมควรจะชื่อเจริญชัยคือเอาชื่อหลวงพ่อนำตามได้ชื่อพวกผมเหียชัยออกความเห็นซึ่งสมาชิกทั้งสารวมพระอีกสองต่างก็เห็นด้วย ชื่อที่ท่านพระครูเสนอจึงต้องตกไปตามมติของที่ประชุมเป็นอันว่าเราได้ชื่อแล้วทีนี้เรื่องแบบล่ะครับหลวงพ่อจะออกแบบเองหรือว่าจะให้พวกผมจัดการเสียชัยถามอาตมาจะออกเองไหนไหนก็เรื่องชื่อก็ตกไปแล้วนี่ขอแก้ตัวเรื่องแบบอีกสักครั้งและอาตมาจะให้โยมสี่คนดู ถ้าไม่ชอบใจก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อาตมาชอบประชาธิปไตยไม่ชอบเผด็จการฟังคำพูดท่านแล้วคนทั้งสีรู้สึกสบายใจและมีศรัทธาภาษาทะมากขึ้นเรื่องแบบผมไม่คัดค้านขอให้เป็นไปตามความพอใจหลวงพอ่อผมได้เสนอชื่อและเป็นที่ยอมรับผมก็ดีใจแล้วเียาชัยกราว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 อย่างน้อยก็เป็นการเปิดโอกาสให้คนยากคนจนได้มีส่วนร่วมสร้างกุศลคนละสลึงสองสลึงก็ยังดีเกิดชาติหน้าจะได้มีบริวารท่านพระครูแนะนำแต่นี่ก็หมดเทศกาลกรถินแล้วนี่ครับหลวงพ่อพระบวัวเหี่ยวทวงปีนี้หมดก็ทอดปีหน้าได้ถึงอย่างไรก็สร้างไม่เสร็จในปีเดียวหรอกหรือว่าโยมว่ายังไง ท่านถามเท่าแก่ใจครับและแต่หลวงพ่อจะเห็นสมควรครับส่วนผมคงไม่มีเวลามาที่นี่บ่อยนักก็จะขอฝากเงินไว้ก่อนขาดเหลืออะไรหลวงพ่อช่วยมีหนังสือไปตามที่อยู่ในนามบัตรนี้นะครับพูดแล้วจึงเขียนเช็คเงินสดจำนวนสา0 0 0 0บาทพร้อมนำบัตรถวายพระครูคนอื่นๆก็ทำตามเพราะเห็นชอบด้วย ท่านพระครูรับไว้และพูดสรพยอกว่าเงินตั้งมากมายนี่ถ้าเกิดอาตมาเบิกเงินแล้วหนีไปแต่งงานโยมจะว่ายังไงก็แล้วแต่หลวงพ่อเถอะครับเสียชัยตอบหากใจเกิดกลัวขึ้นมาจริงๆบุรุษอีกสามคนพลันเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกันท่านพระครูจึงเสนอว่าอาตมาว่าเราเปิดบัญชีร่วมกันทั้งห้าคนไม่ดีหรือ จะได้สบายใจด้วยกันทุกฝ่ายเสียชัยจึงตอบว่าทำอย่างนั้นมันก็ดีอยู่หรอกครับแต่มันยุ่งยากตอนเบิกจ่ายเอาเป็นว่าพวกผมไว้ใจหลวงพ่อก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นอาตมาจะตั้งกรรมการวัดชุดหนึ่งสำหรับดำเนินการเรื่องนี้เรื่องการเบิกจ่ายก็ให้เป็นกรรมการทุกคนรับรู้อาตมาเป็นคนละเอียด จะทำอะไรก็ต้องให้รอบข้อปรัดกุมโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองซึ่งทำให้คนเสียคนพระเสียพระมานักต่อนักแล้วมีวัดหนึ่งอย่าให้อัตมาเอ่ยชื่อเลยโยมเขาทอดกรินเพื่อจะเอาเงินสร้างโบสถ์ปรากฏว่าสมภารเชิดเงินหนีไปแต่งงานอยู่กรุงเทพแบบนี้ตกนรกไหมครับพระบุยเหียวถามไม่น่าถามก็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 ยังจะต้องหาผู้รับเหมาให้มาประกวดราคามันก็หลายขั้นตอนก็คงจะกินเวลาอีกหลายเดือนโยมเอาเงินคืนไปก่อนดีกว่าได้เรื่องอย่างไรแล้วอาตมาจะมีหนังสือไปแจ้งอาตมาไม่อยากถือเงินมากๆนึกว่าเห็นใจอาตมาเถอะเป็นอันว่าคนทั้งสี่ยอมรับเช็คคืนไปแต่ก็ได้ตั้งสัจจะว่า จะไม่เลิกล้มความตั้งใจที่จะช่วยสร้างหอประชุมเมื่อพวกเขากราบลาท่านพระครูก็ให้สินให้พรว่าขอให้โยมทุกคนจะมีความสุขความเจริญและขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สำคัญคือขอให้หาเลี้ยงชีพในทางทุจริตการหากินในทางทุจริตนั้นแม้จะรวยเร็วแต่ก็วิบัติเร็วเช่นเดียวกัน จำไวน้นะโยมนะหลวงพ่อคืนเข้าไปทำไมครับน่าเสียดายเงินตั้งเป็นล้านพระวยเยี่ยวพูดขึ้นเมื่อคนทั้งสี่ลูกออกไปแล้ว <the> ก็ฉันสำรวจดูแล้วเห็นว่าเขายังไม่เชื่อใจก็เลยต้องทำให้เขาเชื่อเธอไม่ต้องห่วงหรอก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 ผมจะได้ไม่ทำตามเหตุผลของเธอหน้าฟังเข้าท่าดีแต่ฉันไม่ยอมบอกเธอหรอกท่านจะดีหรือไม่ดีก็เป็นเรื่องของท่านเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของกฎแห่งกรรมใช่ไหมครับพระนุมล้อเลียนมาอยู่วัด น, นี้ได้ยินแต่คำว่ากฎแห่งกรรมจนชินหูทำเป็นพูดเล่นไปเถอะแล้ววันหนึ่งเธอจะรู้ คอยดูไปก็แล้วกันอีกหน่อยพระรมผิดวินยัยประพฤตินอกลู่นอกทางจะต้องเดือดร้อนจะต้องจับศึกบ้างติดคุกบ้างขาตัวตายบ้างและอย่างนี้แมเรียกว่ากฎแห่งกรรมแล้วจะให้เรียกว่าอะไรครับก็ต้องเรียกว่ากฎแห่งกรรมล่ะครับพระยวนเริ่มยวนหากท่านพระครูไม่ใส่ใจคงพูดต่อไปว่า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 เพราะถ้าเราทำให้คนเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้ก็นับว่าได้บุญมากกว่าการสร้างวัตถุหลายเท่านักต่อไปข้างหน้าถ้าเธอเป็นครูบาอาจารย์ของใครฉันก็ขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยครับผมจะดำเนินตามรอยหลวงพ่อทุกประการสิทธิรับสนองเจตนารมณ์ของอาจารย์ หลวงพ่อครับเมื่อวานหลวงพ่ออนุญาตผมให้เรียนถามข้อข้องใจได้พระบวัวเหียวทวงสัญญาพระมหาบุญซึ่งเป็นฝ่ายนั่งฟังมานานจึงพูดขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นผมเห็นจะต้องขอตัวเพราะผมไม่มีข้อสงสัยอะไรจะกลับไปปฏิบัติที่กุฏิพูดจบจึงกราบลาท่านเจ้าอาวาสสามครั้งแล้วลุกออกไป